พระธรรมเทศนาแผ่นที่72ลำดับที่12โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่21มกราคม2558มีชื่อเรื่องว่าปรารถนาให้อยู่ในกรอบ วันในเป็นวันที่21มกราคมพุทธศักราช2558วันพุ่งนี้คงจะมีประชุมหารือเกี่ยวกับเจดีย์ของหลวงตาทีทา่ทางจังหวัดทางบ้านตาจคงจะหารือประชุมกันรอบที่สอง แต่ตามไม่จริงก็ไม่รู้ว่ากี่รอบนะกว่าจะลงมือได้ผมเป็นเรื่องของใหญ่ลูกศิธิ์ลูกหาองลงตามากแสดงความคิดเห็นนานาจิตตังนานาทัศนะอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดแล้วก็พึงได้รับนิมนต์ ได้ยินว่าหลวงปู่สาย อ, อำเภออำเภออะไรก็ฮะอำเภอโนนสังเนอะอำเภอโนนสังมรณภาพอายุเก้าสิบกว่าแต่ท่านบวชที่หลังหลวงพ่อนะท่านบวชสาสิกว่าพรรษาท่านบวชเมื่ออายุอายุมากแล้วแต่ท่าน เป็นหมอลำเก่านะฟังฟังดูแลปฏิภาณโมหารอบพรมพี่น้องลูกหลานรู้สึกว่าเป็นที่ยอมรับของศรัทธาญาติโยมส่วนมากเหมือนกันผู้เท่าเป็นผู้ปฏิบัติที่ปฏิบัติชอบองค์หนึ่งก <c oughs> ็คิดว่าคงจะมคงจะประชุมเพลิงอีกไม่นาน ก็คนในมณ์หลวงพ่อไปวันที่23ถ้าไม่มีอะไรที่ไม่เจ็บไม่ป่วยนะหลวงพ่อก็คงไปที่ยังไงพี่น้องศรัทธาญาติโยมลูกหลานพระเนนทุกองค์เรื่องอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าเรื่องวงการพระพุทธศาสนา ให้จิตใจเข้มแข็งมั่นคงมันเรื่องของใครของเราที่หลวงพ่อพูดเมื่อวานเนี่ยแต่พลวงพ่อไม่ได้ปกป้องนะไม่ได้ปกป้องความผิดผูดใ้ใดใครผู้หนึ่งอันนี้พูดตามความเป็นจริงให้มองตนเองให้โอปัญิโกเรื่องความผิดจะไปปกป้องได้อย่างไงเหมือนมันผิดก็ผิดมันร้อนเราจะไป ตกนรกหมกไหมกับเรื่องของคนอื่นไม่ใช่เรื่องแต่คนอื่นผิดเราจะไปรับติดคุกแทนก็ไม่ใช่เรื่องอีกเหมือนกันมันคือเรื่องของใครเรื่องของเราแต่ทิ้งยังไงเราเราพวกเรานะให้มองตนเองอย่าไปทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอันไหนที่มันไม่ถูกมันเพดก็ให้ระมัดระวัง ให้สำรวมระวังไม่ว่าพระไม่ว่าฆราวาสญาติโยมใครทําผิดได้ทั้งนั้นแหละไม่ใช่ว่าพระทําผิดไม่ได้ไม่ใช่ฆราวาสทําผิดไม่ได้ไม่ใช่ทําผิดได้ใครทําผิดก็คือผิดมันจะไม่ถูกได้งไงมันผิดไหนเมื่อมันถูกแล้วจะไปผิดได้ยังไงมันถูก เพราะนั้นถูกผิดเราก็ารู้แก่ใจสิ่งไหนที่มันไม่ถูกไม่เหมาะไม่สงไม่ควรเราก็อย่าไปทำแต่บางสิ่งบางอย่างก็เป็นบุพกรรมและกรรมเก่าก็มีนะกรรมเก่ากรรมในอดีตชาติมันมีกรรมเก่าให้ผล บางทีก็ตั้งความปรารถนาอีกต่างหากปรารถนาแบบปรารถนานี่ก็แปลกเหมือนกันนะปรารถนาของเลวก็ได้ของเลวเหมือนกันนะปรารถนาปรารถนาของดีก็ได้ของดีเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะปรารถนาสิ่งใดนะตั้งเมื่อสร้างบุญสร้างกุศลทําบุญกุศลแล้วนะเราต้องดูให้ดีไม่ใช่ว่าเคิต ต้องการในขณะนั้นกับปราถนาเอาเลยเออก็ได้ได้สมความมุ่ง ม, มา่ปราถนานะแต่ว่ามันมันเป็นบาปอคุศลนะยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีเออแล้วก็ อาาถบดิกาเศรษฐีเนี่ยเป็นโยมอุปถัมปะถาพระพุทธเจ้าแต่อนณาถาบดิกาเศรษฐีเนี่ยเป็นตระกูลใหญ่เป็นตระกูลใหญ่ของกรุงสาวัตถีก็มีลูกมีหลานมีบ่งสาคณาญาติมากในหลานของอนณาถาบดิกาเศรษฐีนี่มีชายคนหนึ่งไอ้หนุ่ม ชื่อสมชายนะ่ในในในพระไตรปิฎกนะหลวงพ่อไม่ใช่นะั่นะหลวงพ่อพูดมาในในพระไตรปิฎกนะเชื่อชื่อนายสมชายแนตะ่นายสมชายเนี่ยเจ้าชู้เจ้าชู้คงจะลูปหล่อบ้างแนะ่ละแล้วก็รวยอีกต่างหากทีนี้ก็แปลว่าลูก มีใครเนี่ยเห็นแล้วไปว่าสถานวันไหวเห็นนายชมชายนายชมชายั น, ชชายนเน่เออเจ้าชู้ไม่เลือกหนาเหมือนกันผัวนิสัยก็ฟ้องเขาก็าฟ้องจับได้เพราะความลับมันไม่มีในโลกเนะ่พราะจับได้แล้วก็พระเจ้าประเส้นที่โกโซนของอันนี้เป็นหลานของอนาถาเมดิว่ะเป็นคนใหญ่ เป็นคนอยู่ในเมือง เ, อเราจะไปทําอะไรก็ไม่ได้เอาปลอยสอนมันอย่าทาอีกนะพอทําอีกครั้งที่สองอีกอสอนอีกอย่างอีกปลอยอีกอย่าทําอีกนะคราวนี้นะอพอครั้งที่สองและครั้งที่สามเนี่ยนะเขาจะไปฆ่าทิ้งใ น, นอุ้มเลยบ เพมันมันเหลือเหลือบากกวาแรงแล้วเนี่ยอาณาถาไมติกาเศรษฐีออรู้เข้าก็เลยไปบอกนายชมชายทำไมแต่แกทำนี่ก็รู้แล้วมันเสียหายก็เลยไปเราจะพาไปกราบพระพุทธเจ้าออพอ่าเป็นหลวงอาหลวงน้าเนี่ยก็เลยพาไอ้ชมชายไป พอชมชายไปพระพุทธเจ้าวัาเนี่ยทำไมเขาจึงมีกรรมอย่างนี้พระเถรองบอกว่าเขากรรมในกรรมในอดีตอดีตกรรมของเขาอนาถามิติาเศรษฐีก็ถามว่ากรรมของเขาเกี่ยวกับอะไรพระเจ้าข่ามันทําไมมันจึงติดพันอย่างนี้พระพุทธองค์บอกว่าสมัยพระพุทธเจ้ากัดเปา ปรินิพานเขาสร้างพระเจดีย์สูงอพอสูงจะแล้ว เ, เขาก็จะหาคนขึ้นไปปักธงปักธงไว้ที่ยอดพระเจดีย์ก็คงจะธง ท, ทุกวันก็คงจะเป็นธงธรรมจักรใช่ไหมทีนี้เขาก็หาคนประกาศหาคนว่าใครจะขึ้นไปปักธงบนยอดหาคนที่มีกําลังกําลังแข็งแรงแล้วก็ ออกล้าอีกต่างหากแต่นายสมชายสมัยนั้นเขาเป็นนักมวยเอกเป็นนักมวยแซมเปียนในยุคสมัยนั้นเขากำลังแข็งแรงเขาขึ้นที่สูงเขาไม่กลัวสูงอีกต่างหากนายสมชายก็บอกว่าผมเองสมัครขึ้นไปที่จะปักธงบนยอดยอดเสายนต์ยอดพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้ากัจจ ป, ปะ เขาก็นั่นนขาเอาเยืธงให้สมั ย, ยนั้นคงจะไม่มีรถเคีนอย่างที่ว่าเนี่ยมั้งเขาก็เลยอคงจะคนใช้คนมีกําลังขึ้นไปแต่ได้นา ย, นายชมชายก็เลยขึ้นไปพอขึ้นไปก็ไปปักธงบนยอดพระเจดีย์พอปักธงยอดพระเจดีย์ทั้งที่จะปราถนาว่าโอ้สาธุนอข้าพรเจ้าได้ปักธนธง บนยอดพระเจดีของพระพุทธเจ้ากัสสะขอให้ข้าพเจ้า เ, เป็นผู้ใหญ่สูงสุดเนี่ยเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเรว่าเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งหรือว่าเป็นพระหันตรสาวกหรือว่าขอให้ดวงตาเห็นธรรมอย่าได้มาเวียนไหวตายเกิดในวัะตะสงสารขอให้ข้าพเจ้าบุญกุศล ค, ค้ำคุจุนข้าพเจ้าให้ ชีวิตทั้งชีวิตของข้าพเจ้าให้ราบรื่นจนเข้าสู่มรรคผลนิพพานนะแอบปรารถนาว่าสิ่งไหนก็ตามที่ข้าพเจ้าต้องออการปรารถนาเป็นศีลเป็นธรรมเราขอสิ่งเหล่านั้นขอให้สมความมุ่งมา่นปรารถนาน่าจะปรารถนาสิ่งนั้นให้เป็นศีลเป็นธรรม อ, อแต่นี่นายสมชายปรารถนาบอกว่าข้าพเจ้าได้ปัก ธงบนยอดพระเจดีย์เมื่อปักเสร็จแล้วหางธงสะพัดสะพัดอยู่ตลอดเพราะมันอยู่ที่สูงใช่ไหมหางธงสะพัดอยู่ตลอดเลยแกว่งไกวแกว่งไก ว, กวอยู่ตลอดนะ เ, ออเพราะธงปักอยู่ในที่สูงมันก็ต้องลมพัดมันก็ต้องหางธงมันจะนิยนได้ยังไงฮะอย่างที่พวกเราเคยเห็นธงเนะี่ยลมพัดมันเกิดสะพัดนะ อแต่แกก็ตั้งความปรารถนาว่าเนี่ยสาธุนาเกิดพบหน้าชาติหน้าแต่เกิดชาตินั้นสงสยัยจะสมชายจะเป็นคนขี้เลนะดูทาสาวไม่มองเหมือนกันอะคนแข็งแรงก็จริงยอยู่แต่ไม่มีสเสน่ห์สาวไม่มองเขาก็เลยตั้งความปรารถนาว่าเอข้าพรเจ้าเกิดในพบได้ชาติใดเอเว้นเฉยแต่แม่และญาติพี่น้องตระกูลเดียวกัน สาวไรก็ตามผู้หญิงใดก็ตามเห็นข้าไปเจ้าให้จิตใจสบัดสถานหวันไหวเหมือนกับหางธงนี่แหละกันให้เหมือนกับหางธงถ้าเห็นข้าไปเจ้านะั่นแหละจากนั้นนำมานายช่มชายแต่ตายจากชาตินั้นพอตายจากชาตินั้นไปเกิดอีกพบนาชาติต่อไปกันเนี่ยนะเป็นอย่างนั้นอีกก็คงจะตกนรกล่ะ เ, เพราะทํากรรมชั่วด้ย มันผิดลูกผิดเมียคนอื่นเขานะเกิดมาเอกก็อย่างเก่าออกตกนรกอีกก็คงจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะแต่พอมาในศาสนาของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาแล้วก็อย่างที่ว่านะพวกไหวตรงข้ามเห็นจิตใจสะท้านหวั่นไหวเนะี่ยเพราะความปรารถนาของหนหยสมชายนะพอมาข่าวนี้เนะี่ยเขาจะอุ้มไปฆ่าและ อาาถามิติกาเศรษฐีก็เลยเป็นหลานก็เลยพาเข้าไปกราบพระพุธทธเจ้าพระพุธทธเจ้าแสดงธรรมให้ฟังเขาก็ได้สําเร็จพระโสดาบันนะสมชายได้สําเร็จพระโสดาบันก็คงจะไม่ตกนรกชาตินี่แต่ว่าคงจะมีบาปกรรมตามสนองก็จะเป็นพระโสดาบันเอกพีชีหรือโกลังโกละสะตุกะตะพระมะท่านก็ไม่ได้บอกเอาไว้แต่ว่าได้สําเร็จพระ ได้เสนอพระโ ส, สดาบันนะคงจะเป็นผู้ต่อไปก็คงจะพ้นทุกได้นี่แหละมาพูดถึงเกี่ยวกับมายกตัวอย่างตัว น, นี้ขึ้นมาแล้วเนะี่ก็เหมือนกับพวกคนทั้งหลายบางทีเขาทำไมเขาทำความชั่วทั้งไม่จึงมีบริวารจึงมีบริวารสนับสนุนเขาอันนี้ก็คงจะมีความ ถ้าจะเปรียบเทียบกับนายชมชายแล้วเขาคงจะตั้งความปรารถนาเอาไว้ในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในภาษาวกที่ท่านเป็นพระหรหัสจากนันกธรรมบุญธรรทานก็นตั้งความปรารถนาอย่างนั้นแต่ทึยังไงในเมื่อการตั้งความปรารถนาอย่างนั้นมันไม่ได้กรอบเอาไว้อย่างที่หลวงพ่อบอกว่า ความปรารถนาของพวกเราท่านทั้งหลายอยู่ในกรอบของศ Nearly ี lithium. ลธรรมนะหลวงพ่อตีกรอบไปด้วยนะถ้าว่าปรารถนาสิ่งใดก็ตามถ้ามาอยู่ในกรอบศีลธรรมเนี่ยไม่ให้สําเร็จนะหลวงพ่อจะให้พรว่าความปรารถนาของผู้ใดก็ตามอยู่ในกรอบของศีลธรรมขอขอให้สมหวังดังปรารถนาถ้าว่ายุ่ไม่อยู่ในกอน iment, ใร e path, อ, นกอบของศีลธรรมนะปรารถนาไม่ให้สําเร็จ อย่างที่ผู้ใดก็ตามอย่างทุกขตาเนี่ยทบุญใส่บาตรพระประเจกพุทธเจ้าพอทาบุญเสร็จแล้วพระประเจกตั้งความปรารถนาว่าชาตูนเ้าข้าพรเจ้าเกิดมาพบใดชาติใดคำว่าสิ่งไหนก็ตามที่ข้าพรเจ้าต้องการแต่ว่า ไม่ผิดศีลธรรมข้าพระเจ้าตรงการแต่ไม่ไม่ผิดศีลธรรมคําว่าไม่มีอย่าให้อย่าได้มีแก่ข้าพรเจ้าในในสถานที่ข้าพรเจ้าเกิดอทุ ก, ท, กทุกแห่งด้วยเทินจนถึงจนถึงพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารพระประเจกพูดให้เจ้าก็มองดูอคล้ายกับคิดตัวเลขดู อ, อมองดูเออใชออ่ความปรารถนาของเขาสําเร็จ สมความมุ่งมา่ปานาปราถนาพระะเจกยังให้พรเนเอวังโหตุเอวังโห ต, โตุขอความปราถนาของท่านจงสำเร็จสมความมุ่งมา่นปราถนาเถินะที่ท่านให้พรอพรอะนุรุท ธ, ธนะจากนั้นพระนุรุทธะเนี่ยเกิดมาพบนิชาตินี้นไปเล่นไปเล่นส ก, กาไปเล่นอะไรแพ้เขานะแพ้ แพ้หมูพวกเพื่อนอ่เพราะว่าเป็นเชื้อพะวงอ่ไปเป็นชายหนุ่มเป็นหนุ่มเชื้อพะวงเป็นหมอมเจ้าไปเล่นลูกส ก, กาไปเล่นนั่นการพนันด้วยกันแพ้เขาพกแพ้เขาบอกถักไข่แพ้ก็ต้องกินขนมคนนั้นอ่อนุรุท ธ, ธะแพ้ครั้งที่หนึงไปบอกให้มหาดเล็กบอกว่าไปเอาไปเอาขนม อะคุณแม่ไม่เลี้ยงหมูเลยแพ้เขาแล้วนะพอแพ้ครั้งที่สองอีกห ม, มายไปเอามาดเล็กะไปเอาขนมจากคุณแม่มาเจ๊แพ้เขาแล้วะมาเลี้ยงหมูอีกพอแพ้ครั้งที่สามขนมมันก็หมดใช่ไหมไม่ใช่ขนมอยู่ในตลาดขนมอยู่ในบ้านนะมาหาเล็กก็ ว, วิ่งเอาไปคุณแม่ครับอ ลูกเจ้าบอกว่าต้องการขนมไปเลี้ยงเพื่อนอีกพอแพ้แพ้การพนันแพ้ลูกแพ้เล่นสกาเขานะเขาก็ไม่ได้เล่นเอาเงินเอาทองนะใครแพ้คนนั้นต้องจ่ายขนมเหมือนกันนะอนุรุทธาเนี่ยจ่ายขนมครั้งที่สองครั้งที่สามเนี่ยเข้ามานะี่ยแม่ก็หมดหมดขนมในบ้านนะบอกว่าหมดแล้วบอกไปบอกลูกเจ้าด้วยนะขนมในบ้านหมดแล้วนะ มหาหเล็กก็วิ่งจันเข้ามาพระลูกเจ้าครับขนมหมดนะขนมไม่มีครับพระแม่เจ้าบอกว่าขนมไม่มีครับขนมหมดแล้วครับอนุรุทธะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยยังไม่เคยได้ยินว่าขนมไม่มีร่วาหมดขนมไม่มีนะมันเป็นยังไงฮนะไม่เคยได้ยินคำนี่เลยบอกมหาดเล็กอีกไปนั่นแหละนะไปเอาขนมที่ไม่มีนะมา ไปเอาขนมนไม่มีมาไปมหาดเวก็วิ่งจันทเข้ามาอีกคุณแม่ครับพระลูกเจ้าบอกว่าเอาขนมนที่ไม่มีนะ่ะเอาไปให้ท่านไปให้ไปให้พระลูกเจ้าโอ้ลูกของเรานี่เนาะตั้งแต่เกิดมาเนะี่ยอย่างคำว่าไม่มีไม่เคยได้ยินไม่รู้ว่าคําว่าไม่มีนะั่นคืออะไรเนะี่ยแต่วันนี้ละ่ะหลูกของเราจะรู้ได้ว่า คำว่าไม่มีนั่นคืออะไรนะพระแม่เจ้าก็เอาถาดใบหนึ่งมาเนะี่ยพอถาดใบหนึ่งมาก็เช็ดให้สะอาดช่ไหเอาถาดใบที่สองมาอีกเช็ดอลไรก็คว่ำใส่กันเออเอาไปให้ให้ให้มหาดเล็กนี่ไปเอาไปให้พระชายนะเอเอพระลูกเจ้านะเอาไปให้พระลูกเจ้านะ ขนมไม่มีเป็นอย่างนี้แหละไปเอาไปมหาดเลยก็ได้รับถาดเป่าสองใบครอบกันแลวก็วิ่งจันไป <c oughs> ช้าไม่ได้เะ <c oughs> พระลูกเจ้าในใจร้อนนะพอไปเทวดารักษาพระนครเนะทปเจ้าเหล่าเทวารักษาพระนครนะโอ้ยไม่ไดนะ้พระอนุรุทธะ ตังความปราถนาไว้กับพระพุทธพระประเจกพุทธเจ้าสมัยนู้นน่ะบอกว่าถ้าข้าพเจ้าต้องการเสียงใดแลว้วก็ตามอยู่ในกรอบของศีลธรรมคําว่าไม่มีอย่าให้ข้าพเจ้าได้เห็นอย่าให้ข้าพเจ้าได้รับหูรับทราบให้ไม่ตลอดเพราะนั้นพวกเราไม่เอาขนมใส่ที่เรารู้รู้อยู่ไม่เอาขนมใส่สีะาก็เราจะแตกเป็นเจ็ดผักเพราะนั้นต้อง เ, เอาขนม เอาขนมใส่ เ, เทพเทพพยาดารักษาพนคอนเอาขนมก็ใส่เต็มถาดเลยมากขนมพอใส่ก็ไปไปถึงยกไปให้อนุรุธะอนุรุธะก็เปิดโอ้โหทำไมวะแต่ก่อนหน้านี้แม่ของเราคงไม่รักเราไม่เคยทำขนมไม่มีให้เราทานเลยอธิพุทโขนมนี้มันเออ น่าทานแล้วเกิดเด่ยแต่กรอนทำไมไม่ทำอย่างนี้วะคุณแม่เราเนี่ยแสดงว่าคุณแม่ไม่รักเรา่ะเพิ่งมารักเราวันนี้เองเนีจากนั้นกับแบ่งกันกับพวกหมูพวกเพื่อนกินขนมเสโออะเลอร่อยขนมขนมไม่มีเนี่ยพอเสร็จมาแล้วก็กลับมาถึงบ้านมากระตอว่าแม่อีกนะคุณแม่แสดงว่าจะไม่รักผมนะแต่ก่อนใช่ไหม เพิ่งมารักวันนี้ใช่ไหมเอาทําไมลูกแม่รักลูกเหมือนกับลูกแก้วกวัาแล้วแก้วตาเลยทำไมจึงว่าแม่ไม่รักเอา้าแต่ก่อนทําไมไม่ทําขนมไม่มีให้ให้ให้ผมทานให้ผมเสวยละ่ะพึ่งทําวันนี้เนีแต่ก่อนไม่เคยมีเลยไม่เคยมีแม่ก็แปลกใจนะแม่ก็แปลกเอา้มามหาดเล็ก เป็นยังไงขนมที่ว่าขนมไม่มีเลยโอคุณแม่ขนมเต็มถาดเลยนะขนมดีมากเลยรสอร่อยอีกต่างหากหน้าหน้าทานน่าสวยอีกต่างหากโอ้ขนมดีมากคุณแม่โอ้คุณแม่ก็รู้แหละโอ้ลูกชายของเราเป็นผู้มีบุญฮนะเป็นผู้มีบุญมาเกิดนะ ตั้งแต่นั้นต่อมาว่าลูกชายบอกว่าอคุณแม่มครับผมต้องการช่วยขนมครับต้องการทานขนมครับขนมไม่มีแล้วล่ะแม่เอาถาดสองใบมาซ้อนกันเอาเอาให้ลูกชายเลยนอตั้งแต่นั้นต่อมาไม่ต้องทําขนมเลยเมธิวดาเทวดาช่วยทําขนมให้พระอนุรัตานุรัตทะนี่แหละ อันนี้คือความปรารถนาของพระอนุรุทธะเทระนะพระอนุรุทธนเป็นใครเป็นพระอนุชาของพระพุทธเจ้าเป็นลูกพู่น้องคือพระเจ้าจุดพระบิดาของพระพุทธเจ้าคือพระเจ้าจุดโทธนานะน้องชายของพระเจ้าจุดโทธนะนี่ยคือสุโกธนะโทโตทนะอมิโตทนะ ลูกชายน้องชายสองสามคนจะไม่นูกท่านเป็นลูกผู้ใดนะแต่เป็นลูกเป็นพระอนุชาของพระพุทธเจ้านะท่านออกบวชพร้อมกับพระ อ, อนนทนะ์บวชวันเดียวกันจะฟ้าชายหกคนนะไปบวชพร้อมกับเทวทัตด้วยในคะราวนะั้นเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานนะวันที่เดือน6กเพนพระพุทธเจ้าปรินิพานนะ พระองค์บอกว่าขยะวยธรรมมาสังฆาราอ ป, ปมาเดนะสัมปาเดทาติขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทพอพูดเท่านั้นพระองค์ก็ปิดพระโอษฐ์ไม่ตรัสอะไรอีกไม่พูดอะไรอีกเลยทำการปรินิพานในขณะที่ทาการปรินิพานพระสงฆ์คนนั่งร้อมรอบ พระสงฆ์ทั้งสี่ห้าร้อองค์นั่งร้อมรอบเงียบเก็บพระพุทธองค์บอเงียบท่านจะปรินิพานพระสงฆ์ก็ถามว่าขณะนี้พระพุทธองค์ปรินิพานในอย่างครับอนุรุตนะเพราะท่านพระอนุรุท ธ, ธะนี่ได้รับเอทะทะจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้รู้จิตใจใครนึกคิดใครนึกคิดเรื่องอะไรน พระ อ, อนุรุธทานเนี่ยรู้ทั้งหมด อ, อท่านรู้ทั้งหมดแต่นี่ท่านพระสงฆ์ก็ได้ถามว่าพระพุทธเจ้าเนะ่ยพระไทยใจของพระพุทธเจ้านี่ยอ อ, ออกจากร่างได้อย่างไปถึงไหนแล้วท่านอนุรุ ธ, ธนะเนี่ยพระ อ, อนุรุธะก็บอกเลยเดี๋ยวนี้พระพธิ์ตรองกำลังเข้าสู่ผสมฌานตุติจารันตติจารันจตุทัชฌ า, านฌ า, า, า, านที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ด เดี๋ยวนี้กําลังกลับลงมาชานที่6ที่ห้าที่สี่ที่สามที่สองที่หนึ่งจะได้กิออกจากชานที่หนึ่งไปถึงศานที่2ที่สที่สพอถึงศารที่4กระฐานที่ทนะี่ห้าพระพุทธเจ้าปรินิพานในระหว่างสารที่สกระฐานที่5ในระหว่างกลางนะาพระอนุุท ธ, ธาบอกพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วนะ บอกไม่ได้แล้วพระพุทธองค์อยู่ที่ไหนเป็นยังไงพระพุทธเจ้าพระนิพานแล้วจบเนะนี่แหละอันนี้ก็คือพระอนุระนะุทธเถระเนี่ยคองคือตั้งความปรารถนาอันนี้คือตั้งความปรารถนาไปในทางดีนะเพราะฉะนั้นพวกเราทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลอนะมากน้อยก็ออขอให้ข้าพรเจ้าพ้นทุกข์ไหนวัะสงสารจะได้มาเวียนว่ายตายเกิด ให้ดวงตาเห็นธรรมในที่สุดด้วยเท่าน์ทำบุญมากทำบุญน้อยจะได้มาเวียนว่ายตายเกิดอีกมันเกิดมาก็จะต้องแก่เจ็บตายในที่สุดอย่างนี้แหละนะควรจะมีตั้งความตั้งในใจได้ตั้งความปรารถนาถ้าพ้นทุกข์ได้ดีอจะมาเวียนว่ายตายเกิดแต่มันมีแต่เรื่องทุกข์มีแต่เรื่องได้ยินอย่างที่พวกเราได้ยินะมีเรื่องอะไรต่อมีอะไรอาบางทนบางคนเห็นคนอื่นเขาทำความชั่วเนี่ะ เกิดโมโหโกธาเผลอเผไม่อยากจะเข้าวัดอีกต่างหากเพราะเห็นพระทำความชั่วนะแต่ตัวเองทําความชั่วมองไม่เห็นนะมองไม่เห็นความชั่วของตนเองมองเห็นแต่ความชั่วของคนอื่นสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องดูมันมีทุกแห่งทุกขนทุกยุคทุกสมัยนัะความชั่วของคนอื่นเราจะไปมองทําไม มองตอนเองสิ่งไหนที่มันดีรู้ไหมดเีเมื่อคนอื่นทุกเราอยากจะไปทุกกับเขาอย่างนั้นใช่ไหมเมื่อเขาติดตารางเราจะไปติดตารางกับเขาอย่างนั้นใช่ไหมเมื่อเขาทําความชั่วเราจะไปชั่วกับเขาอย่างนั้นใช่ไหม เ, เราต้องหาสิ่งที่มันดีกว่าโลกในโลกหาได้อย่างที่คุณแม่พูดที่หลวงพ่อเนี่พูดเมื่อวานมันก่อนโลกหาได้ หาดีหาชั่วหานรกหาสวรรค์หาสิ่งที่มันเลวๆได้หาสิ่งที่มันดีก็ได้โลกนี้โลกหาได้เพราะนั้นพวกเราต้องใช้ปัญญาหาสิ่งที่ดีเข้ามาสู่จิตสู่ใจของพวกเราสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันเลวสิ่งมันชั่วอย่าเข้าอย่าหาเข้ามาหาอย่ามาหาใสมาหาตัวเองนะรับผ่อในทนีนะอนุโมทนาให้พ่อน